เดี๋ยกลัวว่าจะมีความทุกข์สู้ใจนิ่งๆไม่ได้นี่พวกนักปฏิบัติทั้งหลายก็พวกนักกดจิตกดใจกดกายนะไม่กดใจก็กดกายเพ่งกายเพ่งใจบังคับกายบังคับใจเขนะ ก, กลัวจิตมันไหลไปหาความทุกข์มาใส่ตัวเองอยากให้มันนิ่งนี่โดยสัญชาตญาณเลยทันทีที่คิดถึงการปฏิบัติเมื่อไหร่นะเขาบังคับตัวเองให้นิ่งมา น, นั้นอย่างคุณที่อยู่วัดเนี่้นะก็บังคับตัวเองให้นิ่งนะ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 เราไม่รู้ว่ามันเป็นยาพิษเพราะฉะนั้นกินอารมณ์เข้าไปที่เป็นยาพิษเข้าไปนะมันเลยต้องตายแล้วตายอีกเปลี่ยนวายตายเกิดแต่พระอรหันต์นะมีปัญญาเห็นความจริงของรูปธรรมนามธรรมเห็นความจริงของขันหา้าเห็นความจริงของอายตนะภายในภายนอกเห็นความจริงของธาตุทั้งสิบแปดธาตุธาตุสิบแปดมันก็คืออายตนะ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 อั น, นี้หลวงพ่อเขไม่ใช่คนสังเกตเห็นคนแรกนะในตุนดังตรีนะ่ะวันหนึ่งมาคุยกับหลวงพ่อบอกว่าเออผมเที่ยวสังเกตจิตไม่บอกนะว่าจิตใครบอกเวลาคิดนี่ไม่มีเมตไปสังเกตจิตจันมหาบัวก็ไม่มีเม็ตสังเกตจิตพระบางองค์ก็ไม่มีเมตคิดเฉย ๆ, ๆคิ ด, ค ด, คดจากความว่างคิดแล้วก็ว่างอยู่อย่างนั้นเอง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 ใจที่ตื่นขึ้นมาใจที่รู้ตัวขึ้นมาเห็นรูปมันอยู่ห่างๆเห็นนามมันอยู่ห่างๆเห็นทุกอย่างถูกรู้ถูกเห็นสักว่ารู้สักว่าเห็นใจเป็นแค่ผู้รู้ผู้เห็นอยู่ห่างๆใช่หไหมมีสติไปรู้รูปรู้นามมีใจตั้งมั่นอยู่ห่างๆเป็นแค่คนดูแต่ห่างๆนี้ไม่ได้บังคับเอาไว้นะมันหา่างออกไปเองใจมันเดี๋ยวเต่นตั้งมั่นมันมีพลังแนละ้วมันตั้งมั่นขึ้นมาใจของคนทั้งหลายไม่ตั้งมั่นนะใจคนทั้งหลายมันไหลไป เงินหลวงพ่อพูดถึงสภาวะสามแบบแล้นนะแบบที่หนึ่งไหลไหลๆหลไหลไหลไปหาลมนะแบบที่สองกลัวมันไหลเลยไปกดมันไว้นะพระละหันเนี่ยไม่ไหลไปโดยที่ไม่ต้องกดนะนี่เป็นข้อยกเวน้นะแบบที่สามนะแบบที่หนึ่งไหลไปแบบที่สองกดเอาไว้แบบที่สามเนี่ยจิตซึ่งเคยฝึกอบรมมาดีแล้วนะยังเคยมาเรียนกรรมฐานฟังธรรมะมาดีแล้วเนี่ยจิตมันตั้งมั่นอยู่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 ถ้าเมื่อไรมีสติรู้รูปรู้นามด้วยใจที่ตั้งมั่นมีสมมมาสมาธิเมื่อนั้นจะมีปัญญาเห็นไตรลักษณ์นะถ้ามีแต่สติใจไม่ตั้งมั่นแยกออกมาจะกลายเป็นการเพ่งกาเพ่งใจเพ่งรูปเพ่งนามเช่นรู้ลมหายใจเพ่งลมหายใจจิตเข้าไปแนบที่ลม รู้ท้องผ่องยกจิตไปแนบที่ท้องรู้เท้าจิตแนบอยู่ที่เท้านะรู้มือจิตไปแนบที่มือรู้เวทนาความปวดความเมื่อยจิตไปจ่ออยู่ที่ความปวดความเมื่อยไปดูจิตดูใจก็ไปเพ่งจิตเขาอีกนะจิตไปจ่ออยู่ในจิตนะเรื่องนั้นใช้ไม่ได้ทั้งสิ้นเลยเพนะฉะั้นพวกเราต้องค่อยๆฝึกนะอาศัยการฟังฟังหลวงพ่อพูดนะฟังครั้งเดียวฟังยากต้องฟังแล้วฟังอีกนะ